งานที่ำด้วกันนะหลายท่านก็เจอกันมาหลายปีหลายท่านก็อาจจะขึ้นขึ้นมาเป็นไงแต่ละปีนะผ่านไปรถดเร็วนะไม่ใช่แต่จริงๆไอปีพอสอผ่านไปเร็วเนี่ยมันก็ แต่เป ph ph ็นรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจนะแต่เราย้อนกลับมาดูตัวเองดูอะไรดูตัวเลขอายุของเราที่มันผ่านอเดินขึ้นมาอีกปีละบางทีเราไปดูที่พอสอนผ่านไปก็นั่งแหละแต่จริงประเด็นจริงคืออายุเราเนี่ยแหละที่มันก็ผ่านไปเรื่อยๆผ่านไป ท, ท, ทุกวันทุกเดือนทุกปีไม่รู้จะอีกอีกนานเท่าไหร่เราก็ไม่มีญาตที่จะระูได้คราจะตายเมืนะ่อไรจะตายที่ไหนจะตายอย่างไรหรือตายแล้วจะไปที่ไหนเราขอพูดถึงช่วงช่วงวันมาฆาตโชาเพิ่มอีกหนึ่ง วันมาฆบูชาหลายคนก็ทราบไปแล้วเป็นวันที่พระพระพตทธเจ้าจะแสดงโอวาทปาติโมกข์นะไอต้นนั้นพระองค์ไม่ต้องไปพูดมากแต่ในเช้อบันมาฆบูชาคือวันเป็นเกินสามกนะ่อนที่พระพุทธเจ้าจะประนิพนา์ในปีที่พระพุทธเจ้าปรานะนิพน์นั่นแหละคือเือนสามมันเป็นวันที่สำคัญวันที่ พระพุทธเจ้าเริ่อ ง, งอายุสังขารเรียกว่าองกําหนดกําหนดวว่าอีกสามเดือนต่อไปเราจะปฏิบัติวันมาฆบูชาเ น, นี่ยนแต่ที่แสดงดโอวาทพระพุทธองค์นั้นเป็นเรียกว่าเป็นปีแรกนะในการแสดงธรรมเกิดการองอายุสังขารเป็นปีสุดท้ายในการแสดงธรรมในวันเป็นเดือนสามเหมือนกันที่ ปาวาเจดีที่เมืองววยสาลีที่อยากจะพูดตรง น, นี้ก็อะไรเท่าอนอออึ่คือพระองค์ก็คือตอนแรกตอนที่ท่านตัสสรใุใหม่มีพยา ม, มามาขอให้ท่านเรียกว่าปริทินผ่านตอนแรกก็คงจะขัดขวางมให้มันรษย์ทํา แต่พอสั่งความให้บรรลุรไม่ได้นะท่านเจแต่ธรรมนะก็เลยสั่งควา่าไม่ใหสอนทำข <c oughs> อใหปฏ้บัติความไปเสียแต่พระองก็ว่าอืมถ้าบริษัทของเราเนะี่ยยังไม่แข็งแรงนะยังไม่เรยกว่ามั่นคงท่งานก็จะยังไม่เป็นที่พานนะก็ยังไม่รับพัฒนาในส่วนของพยามมาแต่พอนะนะเนี่ยแหละเกือบแปดสิบปี 80พรรษาพญามารก็มาอารัตนานินนมอนต์อีกครั้งหนึ่ง โ, โอปอล์โมก็เลยรับนิมนต์ว่าอีก3ามเดือนข้างหน้านะนนเราจะไปนิมพานแต่ไม่รู้นะพญามานนิมนต์จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่นะมันก็เป็นเรื่องที่ให้เราตระหนักเนาะว่า เนีย่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายมีไม่พ้นพระองค์ก็อายุย80ปีหลายคนก็อาจจะใกล้แล้วเราก็หนีไม่พ้นนะหีไม่พ้นเรื่องนี้นะก็จะให้สมาว่าวันเวลาผ่านไปเรื่อยจะได้สมา เพราะว่าตอนที so ่พระพุทธเจ้าท่านปงอายุสัมขารก็มีหลายคนที่เสียใจเลยเพราะพระอนนอยู่ใกล้ชิดคนก็ตำหนิว่าทาไมไม่นิมนต์พระค์องค์ยู่้าหน้าพระอนุก็ไม่้อาจจะได้ดูนหรือว่าก็มีอะไรมาบดบังประเดูนอะไรไม่ได้นมนหลายคนก็ เสียใจที่ไม่ทันพระพุทธเจ้าแต่ก็มีบางคนดีใจนะมีพระบางรูปดีใจตัวเจ้ากระลิบกระล้าก็ดีแล้วจะได really ้ไม่ต้องมีใครมาบทำหนี้เราถ้าเราทํากิดทํำดีดีทํำดีถูกก็มีนะก็ได้เกิดเป็นการสังคยนาถ้าทําวิอะไขึ้นมาก็เนี่ยเนียก็เลยเหลือการสังคายนาก็กลายเป็นครับ เป็นมรดกนะเป็นพระพิธีธรรมพระสูตรพระวินันะให้พวกเราได้ได้จดจําคําสอนพุทธเจ้าไว้อันนี้ก็ผ่านมาสองพันห ก, ก, กร้อยปีหรกอสองวันห้าร้อยหกสิบปีเดรยวนะอก็ไม่รู้ว่ า, าศาสนาจะอีกนานเท่าไหร่นะอย่าอย่าได้ประมาทอย่างที่ว่าเราไม่รู้เราจะ เราจะตายเมื่อไหรเนยก็ไม่รู้อืตายที่ไหนตายอย่างไรก็ไม่รู้อีกยาหนึ่งตายแล้วจะไปไหนอันนี้ยังไม่รู้นะไปไหนนี่อืมจะไปะตกนรกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจจะขึ้นสวรรค์หรือเปล่าก็ไม่แน่ ใ, ใจจะเกิดมาเป็นเดรัจฉานหรือเป็ดเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคําว่าไม่รู้ในที่เนี้ยมันทําให้เรา ถ้าเราประมาณนะนะอาจจะไปสู่ทุกขตนะิก็ต้องเรียกว่าตกทุกข์ได้ยากทีนานโอกาสที่เราได้พบพุทธศาสนานเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะหลายที่มาไปบางทีทอพุกบางคนก็ก็ เป็นคนที่ใจดีนะตั้งใจทาบุญแต่หวังว่าทาบุญแล้วจะได้ไปเกิดพบกสัตริย์เฮยมีไตนะให้กษัตริย์เฮมีไตช่วยให้บรรลุธรรมนะมาคนก็ทาบุญเพื่อหวังแบบนั้นแต่มาก็มองว่าการหลักตนั้นมันเหมือนเป็นการหวังน้ำบ่อน้าพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนะยังอยู่คำสอนก็ยังอยู่ นการบงเพ็ญบารมีหรือการพาวนาจริงๆนะต้องต้องต่ตอนนีนะ้อย่าไปรอทำในในชาติหน้านะหรือไปรอให้ชาติหน้าให้พระพุทธเจ้าต้ลงหมนะ่งมาช่วยซึ่งถ้าในตามหลักจริงๆนะมันเป็นความเสี่ยงที่มาว่ามันัาเปอร์เซ็ตที่จะได้ไปเกิดในยุคภาษีอาบนี้ไม่แน่นะอาจจะน้อยกว่าถูกลอตเตรี่แล้วมันตหนึ่งกได้นะ ถ้าเกิดเซ็มนะเพราะว่าทางที่จะไปไมนมีเยอะนะเหตุปัจจัยก็เยอะมากเพราะคนจะมาเกิดในยุคไหนมันก็ยังกำหนดไม่ได้เป็นความเสี่ยงอย่างมากที่เราจะเป็นเรียกว่าไปหวังน้ำบ่อน้าดังนั้นพวกเราฟังน้ำบอ่อนี้นะ <c oughs> น้าบอ่อนี้ <c oughs> หลายคนก็ เรียกว่าตั้งใจทําความดีนะตั้งใจทำความดตั้งใจความดีนะหลายคนก็ตั้งใจรักษาศีลนะไม่ทําความชั่วนะดีไหมสือว่าดีนะเนี่ยที่โอวาทัปติโม่เขาบอกการไม่ทำบาปทั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อมพูดง่ายๆก็คือ า ก, การทำความชั่วแล้ะก็การทําความดีอันนี้เป็นสองข้อแต่พุทธเจ้าท่านพูดอีกข้อหนึ่งคือการทาระกจิตให้ขาวรอกไม่ใช่ว่าไปทําจิตใจที่มันขาวแบบสีขาวนะคําว่าขาวรอกในที่นี้คือํารักิเลตให้ไปจากจิตใจคนะำว่าจิตเลช ออกไปจากิจใจนี่แหละคือการทำระดิตให้ข่าวร่อมันต้องถ้าจะดีที่สุดต้องให้รบสักดากอุปกรณ์เพราะว่าอะไรบางทีเราไม่ทำความชั่วเราทำความดีแต่เราสังเกตดูนะจิตใจยังมีความทุกข์หรือเปล่านะการที่ไม่ทำความชั่วหรือการเราที่ทำดีตลอดชีวิตนะ เมื่อเราเจอความพัดพาดสูญสีเ่อสิ่งที่ไม่เป็นเนี่ยที่เราคาดหวงังเราจะพุ่งอยู่ไหมเนีอันนี้คือคําตอบเป็นจริงคือเนี่ยถ้าเรามาฝึกจิตนะให้ให้หมดจากกิเลสได้เนาะมันจะทําให้จิตมันไม่พุกเพราะบางคนไม่ทําตอนชั่วก็จริงนะแต่พคอคนอื่นทาตอนชั่วนะ ก็ไม่พอใจเขาหรือเราทำความดีก็จริงแต่ทำดีแล้วเขาไม่เขาไม่เขาไม่ขอบใจเราหรือหรือทำดีแล้วผลความดีนั้นมันไม่เห็นเกิดสักทีหรือเราก็รู้สึกผิดหวังเพราะความคาดหวังใช่มการทาร้ายิตของตนให้ข่าวล่อเนี่ยมันเป็นการเรียกว่า แม้คนอื่นเขาจะทำไม่ดีนะแต่เราก็ไม่ได้ไปโกรธไปเกลียดเขานะหรือแม้เราทำดีแล้วไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังนะก็วางใจได้เพราะทําแบบไม่หวังนะทําแบบปส่อยวางไปชนะที่ทำด้วยอันนี้คือการจัปตัสงศีลให้ขาวรอบนะถ้าเรามีอย่างนี้มาประอกอบในชีวิตด้วย มันจะทำให้ชีวิตเราเรียกว่ามีความพุกน้อยลงแต่ถ้าความทุกขมันหมดไปนะเพราะว่าการเราไม่ทำความชั่วก็ดีทำความดีก็ดีนะแต่มันถ้าเรายังไม่ทำละจิตให้หมดจากกิเลสจริงๆนะ่ะมันก็ยังต้องเรียนไห้ใจเกิดเรียนไหวใจเกิด จะเกิดในภพภูมิดีขนาดไหนเนาะเ อ, า, อาง่ายๆนะเราเกิดในฐานะดีตระกูลดีนะแต่สุดท้ายแล้วก็มีไม่นความแก่ความเจ็บความตายความค่าค่าสูญเสียนะจะเกิดในภพภูมิไหนนะนะก็ต้องเจอคอวามทุกข์ของร่างกายเจอคอวอามทุกข์เพราะการค่าค่าสูญเสียไปเนี่ยเนี่แหละดังนั้นพระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าการเกิดทุกขาวนะก็เป็นทุกข์ร่างไป ไป็นโชตั้งไปนะแต่ใดถ้าเรายังไม่เห็นโทษของการที่ต้องดิ้นไหนนะวใดเกิดนะเราก็อาจจะยังอยากเกิดในที่ที่ดีๆตลอดไปะแต่มันก็ยาก น, นะะโลกมันส่วนที่เราหลงอยู่ในโลกนะนี่ะตัดโลกก็เลยยังวนเวียนอยู่ในโลกนี้อยู่เยอะ ม, มากเพราะว่ามั น, ม, นมีเค้ื่องล่อนะให้เราหลง รอให้เราเรียกว่าเฟินไปกับมันมนะเดี๋ยววันนี้นะแล้วก็ต่อไปก็ให้โยมพิจารณาดูเนาะว่าเราจะใช้ชีวิตที่เหลืออย่างไรเนานะนอกจากการที่เรามีสินรักความชั่วนอกจากการที่เราําบูณ์สุ น, น, า น, น ท, า ท, n, ทานตามโอกาสเพื่อเหลือคนอื่นทำความดี เราเห็นความทุกข์ในชีวิตมากน่าข น, นาดไห น, mm hmm. นเป็นความทุกข์ความทุกข์ในชีวต น, นตเช่นดูร่างกายร่างกายก็เป็นทุกข์ตอนที่ร่างกายไม่สบายนะสังเกตนดูนะเราวางใจกับความไม่สบายกายได้ดีไหมเราเป็นทุกข์ไปกับกายมากหรือเปล่า สังเกตดูนะถ้าเราสังเกตที่เรายังวางใจไม่ดีเลยนะแสดงว่าทุกทางตายก็ส ม, มควรถุงใจนะวันนี้เห็นแค่ไม่สบายยังทุกขนาดนี้วันที่ใกล้จะตายวันที่ตายอาจจะทุกข์กว่นี้นะร้อนอาจจะหนักกว่านี้ใช่ก็จะได้เตือนตัวเองว่าเออเรายังปึกยังไม่ดีพอ หรือวันนี้นะ่ะเราได้ยินข่าวญาติเสียชีวิตนะหรือญาติป่วยเราเอยงยังต้งวนใจจะเป็นทุกข์เลยนะวันหนึ่งคนที่รักที่สุดในชีวิตตายจากไปนะเราจะทุกข์ขนาดไหนเนะี่ยลองสังเกตดูนะสังเกตดูต้อวางใจได้หรือเปล่าบางคนอาจจะึ้นพ่อแม่เสียชีวิตไปเนี่ยอาจจะวางใจได้อยู่เพราะว่า เพราะว่าเราเคยคิดนะเขาอายุเยอะเขาต้องควรจะตายไปก่อนนะครับถูกไหมแต่บางทีชีวิตมันก็ไม่แน่เนาะถ้าลูกตายไปก่อนเราจะทําใจได้เป่าใช่ไหมเพราะเราไม่ค่าคิดเวลาพ่อแม่จะจากนีเราเคคิดก่อนเพราะเแก่่ะเขาเจ็บพอเราเคยคิดเคยวางใจไว้ก่อนพอจากไปก็อาจจะทุกข์อยู่แต่ก็ พอทำใจได้ก็ม อ, อกว่าเป็นเรื่องธรรมธรรมชาติแต่ถ้าอะไรที่มันรู้สึกผิดธรรมชาติเช่นรูบัติเนหรือว่าลูกหลานนะสชีวิตเนี่ยมันพุ่มากนะไม่ใช่แต่เรานะที่จริงแม้แดดก็โสด็จมาบัณฑ์ท่า น, านงงยนังรุ่งนะอย่าง อ, อย่างพนระนานวิสาขานะตั่นเข้าใจธรรมาเสด็จผด แต่ท่านก็จะอยู่เป็นคาราวะมีครอบครัวมีลูกมีหลานวันนึ่น่ท่านแก่มากแล้วนะแก่แก่อายุนะแต่หน้ายัางสาวหลานที่รักหน้าเสียชีวิตนะ่ะนางก็เสียใจเสียใจที่หลานที่รักน่ะเสียชีวิตนะแต่พอบคุณเจ้าท่เตือนสะติเออก็วังใจได้คึงเคยเข้าใจมีท่านมาอยู่แล้วนะแต่พิ ม, มาว่า ยังไม่ได้เข้าใจที่สุดเขายังมีความตุกอยู่แต่พอมีคนมาเตือนก็ได้สติขึ้นมาเนี่ยเราพิจารณาดูถ้าเราอยากเป็นปุ้บก็เรื่องอะไรนี้นนะก็อย่าได้ตำหนานนะเพราะวันที่เราเจอเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันเราต้อ ง, งรับมือด้วยตัวของเราเองนะแต่บางที่เขาตื่นมาช่วยบางทีก็มั น, นไม่แน่นอน ต้องเตรียมพร้อมไว้ะเตรียมพร้อมไว้เตรียมเตรียมพร้อมก็สืเตรียมใจฝึกไว้นะวันนี้นะเราต้องมาฝึกแล้วก็ถ้าจะดีก็ฝึกไปบ่อยบานะงทีเดือนนึงฝึกแค่วันหนึ่งวันนี้ก็อาจจะไม่พอนะืหรือปีหนึ่งไปเข้าคอร์สครั้งหนึ่งเจ็ดวันก็าอาจจะยังไม่พอเพราะว่าอืม มาเป็นการที่ฝึกที่ต้องคล้ายๆอาศัยความต่อเนื่องอาศัยความต่อเนืองในการฝึกฝึกให้มีสตินะคืออะไรฝึกให้มีสติก็คือฝึกให้เราดูเนื้รู้ตัวดูเน้อรู้ตัวก็คืออะไรดูกายดูใจฝึกให้เกิดความรู้กายดูใจบ่อย อาจจะไม่สามารถทําได้ตลอดเวลานะแต่เรียกว่าฝึกให้เกิดความรู้สึกตัวบ่อยๆเท่าที่ทําได้เอีนะ่ยง ต, ตอนแรกเรานั่งรู้สึกนะรู้สึกนะนั่งก็เรารู้อยู่แล้วนะคําว่ารู้สึกก็คือความรู้สึกที่ของร่างกายนี่แหละแต่ถ้าเราหลับนะ เราก็จะไม่รู้ว่าเรานั่ง <c oughs> ว่ราะจิตมันดบับเลยใช่ไหมหรือถ้าเราไปคิดไปคิดอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> คิดถึงคนที่บ้าน <c oughs> คิดถึงงานก็แล้งแต่แม้ตัวเรานั่งนะแต่ใจเราจอยู่กับความคิดนะเราก็จะไม่รู้ตัวว่ากำลังนะั่งนี่คือเรียกว่าจิมมนานตมาดึงร่างกายดึงปัจจุบันไปอยู่ในโลกของความคิดไปอยู่ในสถ า, านที่ นั้นเนี่ยนั่งยืนเดินนอนนะให้เรารู้สึกตัวเราพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆอันนี้เรียกว่าชีเรียบวดใหญ่นะทั้งสี่คแต่ขนาดที่นั่งเนี่ยบางทีก็มีทมีเรียบวดย่อยนะเช่นหายใจเข้าหายใจออกนะคิกมือนยกมือกระคิดตาห้าปา ขยับตัวลอกสังเกตให้เรารู้สึกตัวไปด้วยเท่าที่มันทําได้นะเท่าที่มันทาได้รู้สึกขณะที่เราขยับเคลื่อนไหวะอขยับไปบ่อยนะแต่เราก็เตียนให้เปนเองให้เราให้เราขยับไปบ่อยเพราะบางทีนั่งนิ่งๆจิตมันจะเปิดติดคิดมันจะเมอ์นั่งนิ่งๆจิตมันจะ มันจะเกิดชินในการบอกไม่คิดเราก็ขยับเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อไม่ใช่ขยับเพื่อให้มันไม่คิดนะแต่ขยับให้มันรู้สึกตัวนะต้องตั้งต้องเข้าใจหลักการปฏิบัติสอนว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้มันไม่คิดไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้จิตมันสงบไม่ให้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขความสบายนะแต่ปฏิบัตเพื่ออะไร ปฏิจัเพื่อนะเพื่อให้จิตเข้าใจความจริงนะเข้าใจความจริงอะไรเข้าใจความจริงของกายและของใจว่ามันเป็นอะไรนะว่ามันไม่เที่ยงแม <c oughs> นะ้เราดูบ่อยๆนะนะอย่างร่างกายมันก็ไม่เที่ยงเนาะจนั่งตลอดก็ไม่ไดนะ้จะหายใจเข้าอย่างเดียวก็ไม่ได้ ร่างกายมันเป็นทุกข์อย่างไรนะนอนว่าสบายแล้วนอนนานๆต้องไม่สบายนั่งท่านี้ว่าสบายแล้วนั่งไปหึ่งชั่วโมงก็ไม่สบายแล้วต้องขยับต้องเปลี่ยนเดินะเดินว่าสบายนะเดินานานๆก็ปวดแค่งปวดขานะบังคับไม่ได้เลยนะนะจะเป็นโรคจะปวดจะเจ็บแต่ะะอะไรก็บังคับไม่ได้นะจะหิวจะหิวนะก็บังคับไม่ได้ <c oughs> นี่คือเราฝึกส ต, ติเพื่อให้เพื่อให้จิตก็มีปัญญาเห็นไปรลักษณของโลกความนามเนี่ยเราฝึกตัวเนี้ยให้เกิดบ่อยๆพยายามสร้างส ต, ตินกับการเสลื่อนไหวของร่างกายนะเพื่ออะไรให้ใจมีเคลื่องอยู่ให้ใจมันคอยรู้ตัวรู้อยู่ว่าว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่ให้ให้ฝึกแบบนี้นะคือ อย่างบางทีเราจะตั้งต้นฝึกเนาะให้อย่างเรจะนั่งยกมือสร้าจังหวะจะขึ้นคอพุ๊บนะมายกมือหลยนะให้เรากำหนดรู้เช่นรู้ตัวก่อนว่ากำลังนั่งแบบนั้อรู้สึกถึงการนั่งก่อนให้สบายให้ผ่อนคลายนะให้สบายรู้ตัวว่ากำลังนั่งก่อนแล้วค่อยๆขึ้นรู้สึกการนั่งเื่อนไหวมีมันจะมันจะไม่ไปโฟกัสแไปกับแค่มือแค่แขน มันจะรู้สึกสบายสบายรู้ไปทั้งตัวที่กำลังนั่งการเคลื่นอนมือก็เป็นอิริ็กโทรนิวของการของร่างกายหรือเรานั่งพอทังตัวเราจะลุกขึ้นไปเดินก็อย่เพิ่งรีบเดินยืนขึ้นให้รู้สึกถึงการยืนก่อนนะรู้สึกถึงการยืนนะเมื่อรู้สึกถึงการยืนแล้วเขาไปรู้สึกถึงการเดิน หรือเดินพอจำเป็นก่อนจะเปลี่ยนไปนัน่งก็รู้สึกถึงการหยุดยืนก่อนนะกําหนดรู้ก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนท่าอันนี้มันจะช่วยให้เราเรียกว่ามันเกิสสดสติรู้ตัวได้ต่อเนื่องมากขึ้นแล้วก็มันจะช่วยให้เราไม่ไปโฟกัสแค่จุดใดจุดหนึ่งบางทีเรายกหนึ่งทีเราจะไปโฟกัสที่มือถ้าเกินไฟ หรือเดินนะครังจะไปไปเพ่งที่เท้าที่ขาหรือดูลมหายใจคนก็ไปเห็นแต่ลมหายใจลืมรู้สึกถึงการการนั่งอะไรแบบนั้นนะการมีสติจริงๆเป็นการเรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพรู้สึกตัวทั่วพรในสิ่งที่กายกำลักระทำอยู่แต่รู้สึกตัวแนบๆบ่อย แต่ไม่ใช่อย่างที่บอกว่าไม่ใช่ว่าัำเพื่อให้มันไม่คิดไม่ใช่ทำให้มันจิตสงบนะแต่พอจิตมันเผลอไปคิดอืมจิตมันไปนสนใจอย่างอื่นนะเราก็มีสติรู้นะไม่ใช่ห้ามนะจิตมันคิดเราก็รู้ว่ามันคิดนะจิตเขาสงสัยก็รู้ว่าสงสัย จิตเขามีความสุขก็รู้ว่าเขามีความสุขจิตเขามีความทุกข์ก็รู้ว่ามีความทุกข์ดูอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่เป็นคิดอยากให้เขาเป็นอย่างที่มันอยากให้เป็นนะนะี่ยคือการมีสติเหมือนกันนะคือนะมันก็เกิเกดขึ้นจริงมันเกิดเป็นคิดเกิดขึ้นจริงแต่พอเรารู้ตัวเนาะมันก็จะหยุดแค่ตร น, นั้นแหละนะไม่ไปต่อไม่ใช่ห้ามนะแต่มันรู้ปุนะ๊บนี่ยมันจะ เกิดสติขนาหนึ่งแต่บางทีเราก็มักจะไปทาผิดต่อเช่ น, นพอเราเกิไปคิดบางทีเราก็จะรู้สึกไม่พอใจคิดหนือหรือบางเรื่องมันคิดว่ามันสนุกอะ่ะก็ก็ไม่อยากหยุดไม่อยากจะคิดต่อเนะี่ยะมันจะรู้สึกแบบนั้นนะบางครั้งก็อยากจะดื้ห้ามมันบางครั้งก็อยากจะไล่ดิ้นกับมันใ จ, จมันจะแบบนใจจะไม่รู้เฉยๆนะใจจะไม่ค่อ อยากจะรู้สิทธิ์เฉยทยังไงถึงจะเกิดความรู้แล้วก็เรียกว่าไม่เป็นปุงแต่งต่อทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบเพราะการปรุงแต่งเช่นเราไม่พอใจมันะก็เรียกว่ามีโทสะมาแทรกคือเราพอใจมันก็เรียกว่ามีราคะมาแทรใจไม่เป็นกลางใจมีกิเลสเราภาวนา็เหงห่วงใจนะ แต่เราอยากจะให้มันมีความสุขมีความสมดเนี่ย <guy> ก right. nope. well. ็คืออะไรมีโลคมีความโลคอยากจะได้หรือเราไม่พอใจไม่อยากมันคิดเนี่ยก็มีอะไรก็มีตัวสัตว์เราต้องวางใจให้ถูกตั้งแต่เนี่ยความเข็มที่ถูกตรงนี้ก่อนนะก็คือภาวนาไม่ใช่จะโลคอยากจะเอาหรือว่าโกรธไม่อยากเอาแต่ภาวนาเพื่อให้รู้อย่างที่มันเป็นเนใจเป็นตาเป็นอะไรนะ แต่ใจเป็นกลางเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการทําให้เป็นกลางนะพระพุทธจาท่านสอนตอนแรกท่านสอนทำมาจากกับวัตนัตสูตรก่อนที่ท่านจะสอนเรื่องทางสายการนะท่านสอนเรื่องทางสุดโต่งสองทางคืออะไรคือถ้าเรารู้จักทางสุดโต่ง สด้านคืออะไรด้านหนึ่งคือตามใจกิเลสอีกด้านหนึ่งคือทรมานทรมานตนให้เป็นทุกข์นะไปบังคับมันหน้าไปด้านหนึ่งเขาเรว่าเผลอไปไหลไปอีกด้านหนึ่งก็เป็นกดไวบังคับไว้เมื่อไหร่ถ้าเรารู้ทันว่าใจมันเผลอไปไหลไปกับกิเลสก็ดีหรือใจเป็นเผลอห้ามความคิดไปข่มไว้เนี่ยคือทางสุตโต เมื่อไหร่ที่เรารู้ตัวก็เผืนนะมันจะตกันตรงการไอ้มามาเปรียยเทียนเหมือนเราว่ายน้ำในรูนะมันรูแขกรูแข็ว่ายน้ำมันมีแปดช่องนะเราว่ายนะแต่ว่ายใต้ไหนก็แล้แต่ถ้าไมหมดต่ำลงไปนะเราเป็นติดมลลิสต์หยอะไรเหมือนเชือกัลยเนาะในรูนะเรารู้ว่ามันติดแล้วเราก็ต้องตัดมาใช่ไหมรูติดฝั่งซ้ายก็ตัดติดฝั่งขวาก็ตัด ถ้าเราไปข้ามรู้กับฝ่าวนั่นคือเวลาที่เรารู้ตัวว่าเราเผลอเผลอไปคิดเผลอไปสนุกกับอารมณ์เนี่ยเรารู้ตัวนะจิตมันจะกลับมาเป็นกลามมันจะปกติหรือเรารู้ตัวว่าเราเทงเราจ้องเราเครียดนะจิตจะกลับมาเป็นปกติเนี่ยเราไม่ได้ทําจิตให้เป็นกลามแต่ให้เรารู้อันจิตที่มันไม่เป็นกลามมันจะเป็นกลาง นักปฏิบัติธรรมบางทีจะถ้าตรงเราอยากจะดีอยากจะไม่ผิดอยากจะรู้ตลอดพยายามจะทําให้เป็นทางนั้นอย่าไปหาอย่าไปหาว่าทําถูกหรือยังอย่าไปหาว่าทําดีหรือ ย, ยังเป็นกางหรือ ย, ยังนะไม่ต้องหารู้สึกตัวติดเศษนั่แหละนะเมื่อจิตนั้นเผลอไปสุขไปทุกข์เ่ยคอยรู้ทันติดเศษมันจะกลับมาเป็นกาง ไม่ต้องไปพยายามไปอยากจะเป็ น, านตามตลอดจะเรียนรู้ตหอดมันจะมันจ ะ, ข, จะ ข, <c oughs> นงงขิดตั้งแต่อยากจะไม่ขิดนั่นแหละมันมันงงไหมขิดตั้งแต่อยากแต่ไม่ขีดขีดตั้งแต่อยากจะถูกนั่นแหละนะนั้นเราเรียนรู้จากสิ่งที่ขิดนะมันจะถูกของมันเองนะเหมืนเราเรียนหนังสืออะไรนะเมื่อไหร่ที่เราทําขิดนะถ้เาเรารู้ว่าขิดเพราะอะไรขิดอย่างไรนะ มันจะคูเอยมันจะแก้เองใชนะแต่ถ้าเราทําผิดแล้วเราไม่รู้ว่าผิดอนะ่ะมันจะผิดซ้ําไปเรื่อยนะผิดซ้ําไปเรื่อยครูคือหน้าที่อะไรบอกสิ่งที่ผิดเมื่อรู้สิ่งที่ผิดเราก็จะแก้มาดูเองนะคือทําแบบนี้เนาะทําทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะมันจิตมันจะเรียกว่ามีสติแล้วก็ค่อยๆเกิดการพัฒนา ในความรู้ความเข้าใจในการภาวนามากขึ้นนะเราก็ฝึกแบบนะี้ยฝึกสติให้มันเกิดความสึกตัวในปัจจุบันนะในสังเกตกายเคลื่อนไหวนะหรือทันใจที่มันเปิดไปคิดนึกนะทำแบบ น, นี้บ่อยๆสติจะมากขึ้นนะเมื่อสตินั้นมากขึ้นเรื่อยๆนะมันก็จะแล้วเราก็ค่อยๆฝึกให้จิตมันเห็นในักของรูปของนาม เห็นไรลักก็คือเห็นความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นเห็นความเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นเห็นความไม่ใช่ตัวตนที่เกิดขึ้นลองสึกดูแบบนี้ถ้าใครฝึกสติเล่นนานๆแล้วลองสังเกตดูตัวนี้นะหรลายค็ฝึกมาหลายปีลองดูมัเวลามันเจ็บปวดเมื่อยขึ้นมาเนาะบางทีถ้าเราเกิดไปเลยมันจะฝึกเป็นเราแต่ถ้าสติเห็นนะมันจะรู้สึกว่า มันคืออาการของรู้อาการของกายไอตัวที่รู้มันก็เป็นส่วนมันจะเห็นเออเป็นอาการของรู้หรือบางทีปฏิบัติไปก็เกิดไปคิดอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนที่ยังไ่เคยฝึกหรือฝึกใหม่ๆเรู้สึก็ฝึเป็นเราคิดดีเราคิดไม่ดีเราฝึกเราทุกข์แต่ถ้าเราฝึกบ่อยเราจะสังเกตเห็นไหมอืมจิตมันคิดก่อนเอง จิตมันคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างมันเป็นของมันเองนะลองดูในแง่นี้อืมอย่าไปคิดว่าเอ้ะเราเราเป็นคนคิดหรือว่ามันเป็นเราจริงๆลองดูในแง่นะเอ้ะมันคิดของมันเองมันบังคับไม่ได้ลองดูในแง่เนี้ยจิตมันจะค่อยเกิดปัญญานะแต่ถ้าเมืไหร่เราไปกลับว่ามันเป็นเรามันก็จะไปยึดนะยึดว่าเราดีเราไม่ดี ตามอารที่มันที่มันแสดงเนาะแต่ถ้าเราสังเกตนี่มันเป็นของมันเองร่างกายมันก็เป็นของมันจิตใจมันก็เป็นของมันมีสติเพียงเพียงแค่ผู้รู้คอยดูมันเป็นผู้ที่เรียกว่าทาหน้าที่สังเกตสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนะคือสังเกตเรียกว่าสังเกตอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจอย่ากให้ เป็นนักสังเกตที่ดีนะสังเกตตัวนี้แล้วก็อยากให้เป็นนักสังเกตอีกแบบหนึง่งสังเกตดูอาการของใจตัวเองว่ามันเป็นแบบไหนสังเกตอย่างไรเช่นถ้าเราปฏิบัติบางทีมันตั้งใจเกินไปเนาะเกิดความเครียดเกิดความเพ่งเกิดความต้องเกิดความเกรงเนี่ยใครจะรู้เรานะ หรือจิตใจใช่ไหมถ้ามาตั้งใจเดนไปบางทีทำจะทานานๆมันแจะมันตึบอะมันแน่นมันหนาเนี่ยเราต้องสังเกตตัวเองนะหรือบางทีทาไปก็เดินไปนะแต่ใจรอยไปนั่นจะเฟร้ออะนะมันเบาวิ่งอะไรทใจเบาแบบร่องลอยมันก็ไม่ใช่นะอืเราต้องเป็นคนที่สังเกต ถ้าเราสังเกตตัวเองได้สังเกตอาการของกายอาการของใจได้นะทําไปแล้วมันหนักมันแน่นมันตึงมันเครียดนะแต่บางที่มันเจ็บปวดเลยเป็นธรรมดานะแต่มัาสัความว่าหนักแน่นแรงอะไรนะอึดอัดเนี่ยว่าของกายขงใจให้สังเกตหรือว่าเอนอาจจะทําคิดอือาจจะตั้งใจจอไปะให้คลอดคลายขึ้นหรือบางทีทำไปแล้วมันมันแบบ มันเบาเกินไปมันหูงมันฟุ้งยาวเลยน่ะอันนั้นก็ต้องถ้าสังเกตแล้วก็ต้องต้ิ่สอนตั้งใจไปสักหน่อยตั้งแต่นการรู้สึกตัวมากขึ้นถ้าคนใหม่ๆเลยนะมันฟุ้งแฉครานนะหรือบางช่วงจิตมันฟุ้งเพมีอารมณ์กระทบแรงอาจจะใช้ตัวช่วยเช่นบริการเข้ามาช่วยก็ได้นะ บางทีมันยกมือมันไม่ค่อยอยากจะรู้มันบางทีก็ช่วยนิดนึงก็ได้เช่นนับหนึ่สองสามีอะไรประมาณนั้น่ะพออาจจะทําไ ป, ทไปสักห้าเที่ยวแล้วมันจิต ก, ก็เริ่มสงบขึขข้นก็ค่อยทิงมาก็ได้อืหรือเดินก็เหังจากันบางทีก็บางทีเดินไปแล้วโอ้ําลังคิดงานสนุกเลยเดินไม่อยากวางบางทีไม่อยากว า, าง เราก็อาศัยกูบายมาเอริมอ่ะหนึ่งสองตามือซ้ายขวามากาหนดนะมากาหนดเทอร์ให้มันวางพอมันเริ่มวางได้มันก็ันสิบทิ้งบริกรรมไปรู้สึกตัวไปธรรมดานี่เป็นการเทอร์กาหนดนะเป็นกูบายเสริมนะเพราะเนี่ยเราต้องสังเกตตัวเองบางครั้งฟุ้งมากก็ต้องมาใัยกําลังบางอย่างมาเสริมแต่ไม่ใช่ทำตะบอดนะมันจะติดอืม หรือบางช่วงมันมันเครียดมากเนะี่ยก็ต้องไปทำอย่างอื่นให้มันผ่อนคลายขึ้นอะไรเงี้ยนะนักปฏิบัติธรามที่ดีต้องคอยหมั่นสังเกตดูตัวเองได้ไบ่อยๆเนาะเราจะ <c oughs> เราจะไปดตัวเองได้ไม่ต้องคอยถามครูบาอาจารย์ว่าเราทำถูกหรือเปล่านะ <c oughs> ถ้าเราสังเกตใจตัวเองได้นะเราจะรู้เลยมากขึ้น ปฏิบัติถูกดูปฏิบัติผิืมคือตอนไหนที่สงสัยเราทำถูกหรือเปล่านะไม่ต้องมปคิดอะไรมากแค่รู้ว่าตอนเนี้ยมันกำลังสงสัยมันถูกตัวนี้นะถูกคือรู้ปัจจุบันว่ามันกำลังสงสัยเพราะสงสัยมันจะไปมักจะอยากไปหาคําตอบอยากจะากไปถามคนอื่นแต่ถ้ารู้ปุ๊บเลยว่าจิตกำลังสงสัยเนี่ยถูกถูกแล้วนี่คือรู้ลงที่ปัจจุบันถ้าเราทำอะไรไหมนะ เราจะช่วยตัวเองได้พึ่งตัวเองได้แล้วก็แก้ไขตัวเองได้เวลามันทําติดนะทางสุดต่ทั้งสองด้านานี้หรือเวลามันสงสัยอ่ะดูไปก่อนดูทันคํามสงสไปก่อนบางทีเราจะได้คำตอบด้วยตัวเราเองเลยนะได้คำตอบด้วยตัวของเราเองว่าควาสงสัยมันก็แค่ามารอก <laughs> ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าส ง, ส, งสัยเรื่องตรงนี้สงสัยเรื่องนี้นะ ได้คําตอบคือเหมือนเรามีคําถามแล้วได้คําตอบนะได้คําตอบในทางธรรมะคือแค่หมดความสงสัยอาจจะไม่ได้มีคําตอบแบบเช่นเหมือนทางการเรียนทางโลกกันนะอยากจะรู้เรื่องสมมติอยากจะรู้เรื่องม อ, ง อ, อมรรคผลที่ผ่านมาอย่างไรนะเราไปคิดเราไปถามนะอาจจะได้คําตอบจากคนอื่นแต่ใจยังไม่หมดความสงสัยหรอกเพราะบางทีก็ไม่เชื่ออเดี๋ยวก็ไปไปถามคนนะี้คนนี้เปรียบเทียบไปเรื่อย <c oughs> แต่ถ้าเมื่อไรเราเห็นจิตมันสงสัยแล้วก็มันวางความสงสัยได้นะเมื่อมันไม่มีคําถามมันก็ไม่จําเป็นต้องมีคําตอบถ้ายังมีคําถามนะก็ยังต้องจำเป็นต้องมีคําตอบไปเรื่อยการภาวานานะมันทําให้เราหมดความสงสัยหมดคําถามไม่จำเป็นต้องมีคําตอบ <c oughs> ใช่ไหมเหมืนเราไม่หิวอ่ะก็ไม่จําเป็นต้องกินข้าวแต่ถ้าเมื่ที่หิวอ่ะก็ต้องกิน ไปเรื ai, ờ, ่อยจนกว่ามันจะอิ่มเมื่อไรที่เราอิ่มเราไม่มีหิวมันก็เป็นกาเป็นต้องมีอะไร่ะเพิ่มเนี่ยธารมะก็นี่ยแต่ว่ามันเต็มก็เต็มไปด้วยความรู้ความเข้าใจหรือแต่ว่ามันวางก็วางวางไอ้สิ่งที่มันลดลงรังสิ่งที่มันเป็นทําให้เราหนักอกหนักใจนี่แหละก็คือการภาวนาเนาะก็เพียงแค่ ทาหน้าทีพูดที่ได้ฟังมล้วก็ทำเป็นเพื่อนนะแต่เวลาเราภาวนาก็ให้ลองอาศัยหลักตรงนี้เนาะนำมาใช้แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ฝึกฝนตัอเองไปแล้วเราก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจลึกๆของเราเองนะเนาะกราจะมีพัฒนาการไปเรื่อยๆนะถ้าฝึกที่ฝึกฝนภาวนาคนรับก็อย่างให้พวกเราเราได้เอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่าน ตั้งสอนไว้นะ ม, มาใชนะ้ในชีวิตของเราเพื่อความทุกข์ไม่ได้ทุกน้อยตรงไปนะการบินไหวใดเกิดในสังสารวัตก็จะได้ตั้นลงหรืออาจจะหมดไปกรนะได้จะได้ไม่ต้องกลับมานะเป็นทุกข์เพราะร่างกายเป็นทุกข์เพราะความทั้ง้าสืมเสียนะอีกตำหลายพันหลายชาตนะิแบบไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณ เราต้องเรียกว่ามาเร่งทำให้มันเรียกว่าให้มันสั้นดยจะทั้งมันจบไปให้ให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำ